พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิบสองพระสูตรที่สามิสองมหาโคสิงคสารสูตรสูตรว่าด้วยป่าไม้สาละชื่อโคสิงค์ขะสูตรใหญ่พระผู้มีพระภาคประทับณป่าโคสิงคสารวันพร้อมด้วยพระเถระผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงคือพระสารีบุตรพระมหาโมคลานะพระมหากัสปะพระอนุรุดพระเรวัตต์ พระอานนท์และพระสาวกผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงอื่นๆเวลาเย็นพระมหาโมคขลานะชวนพระมหากัสสปะเพื่อไปฟังธรรมของพระสารีบุตรพระอานนท์ก็ชวนพระเรวตะไปหาพระสารีบุตรเพื่อฟังธรรมเช่นกันเมื่อไปประชุมพร้อมกันแล้วพระสารีบุตรก็ตั้งปัญหาถามพระอานนท์ก่อนว่าป่าโคสิงคขสารวัน งามแก่ภิกษุเช่นไรพระอ น, นุ์ตอบว่างามสำหรับภิกษุผู้สดับตรับฟังมากเมื่อถามพระเทระอื่นๆต่างก็ตอบว่างามสำหรับภิกษุผู้มีคุณธรรมนั้นๆตามที่ท่านพอใจคือพระเรวัตตะว่างามสำหรับภิกษุผู้หลีกเรน้นประกอบเจโตสมาถะคือความสงบแห่งจิตในภายใน พระอนุรุตว่างามสำหรับภิกษุผู้มีทิพยะจักสุพระมหากัสสปะว่างามสำหรับภิกษุผู้อยู่ป่าเที่ยวบินทบาทนุ่งห่มผ้าบางสุกุลคือผ้าเปื้อนฝุ่นที่เก็บตกนำมาปฏะติดประต่อเป็นจีวรจนถึงสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานทัทสนะพระโมคคัลลานะว่างามในเมื่อภิกษุสองรูป สนทนาถามตอบอภิธรรมกถากันเมื่อพระมหาโมคลานะย้อนถามพระสารีบุตรบ้างพระสารีบุตรจึงตอบว่างามสำหรับภิกษุผู้คุมจิตไว้ในอานาจได้ปรารถนาจะอยู่ด้วยธรรมะเป็นเครื่องอยู่อันใดในเวลาไหนก็อยู่ได้ดังประสงค์ครั้นแล้วพระสารีบุตรจึงชวนพระเทระเหล่านั้นไปเฝ้า กราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบตรัสรับรองคำกล่าวของพระเทระทุกรูปแต่เมื่อกราบทูลถามว่าพาษิทธ์ของรูปใดจะชื่อว่ากล่าวดีแล้วตรัสตอบว่ากล่าวดีทุกรูปโดยปริยายคือในแง่ใดแง่หนึ่งพระองค์เองตรัสว่าป่านี้งามสาหรับภิกษุผู้กลับจากบินทบาทนั่งคูบันลัง คือขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าตั้งใจว่าจะไม่เลิกนั่งสมาธิตราบใดที่จิตไม่พ้นจากอาสวะไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานหมายเหตุ head, เรื่องนี้เห็นชัดว่าพระเถระทั้งหลายกล่าวว่าป่านี้งามสำหรับผู้มีคุณในพิเศษต่างๆซึ่งเป็นผู้เลอเลิศอยู่แล้ว แต่พระผู้มีพระภาคกลับตรัสว่าป่านี้งามสำหรับภิกษุผู้ยังไม่มีคุณณพิเศษอะไรเลยแต่เพียรพยายามมีความตั้งใจมั่นว่าถ้ายังไม่หมดอาสวะจะไม่ลุกขึ้นนับเป็นข้อเฉลยที่น่าเลื่อมใสว่าพระผู้มีพระภาคไม่ได้ทรงมองเฉพาะภิกษุผู้วิเศษด้วยคุณธรรมแล้วแต่ทรงถือว่าผู้ยังไม่บรรลุอะไรเลย ก็สําคัญอยู่มากเป็นพิเศษสมกับการที่พระพุทธศาสนาตั้งขึ้นไม่ใช่เพื่อผู้มีคุณธรรมสูงแล้วเท่านั้นแต่เพื่อคนเดินถนนหรือสามัญชนธรรมดานี้เอง